แต่ว่าเราเป็นวันนักษัตริย์หนึ่งไม่ฆ่าสมณะพรามสองไม่ฆ่าผู้หญิงสามไม่ฆ่าโคนี่เพราะประเพณีอันนี้มันบังคับเราอยู่ไม่งั้นพระปิตุลาแหลกไปอยู่นี้แล้วท่านบำเพ็ญตบะเดชะสำเร็จอิทธิฤทธิ์ทำไมมีแต่ความโหดร้ายทำไมไม่มีความดีสักหน่อยหนึ่งท่านไม่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ท่านหรือยอย่างไร